ทุติยะอักขิสูตรว่าด้วยไฟสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขโครงสาววถีสมัยนั้นแหลอุคตะสริระพราหมณ์ต ร, ตรีมหาหยันโคผู้ห้าร้อยตัวถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันลูกโคผู้ห้าร้อยตัว ถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันลูกโคตัวเมียห0าตัวถูกนําเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันแพะ500ตัวถูกนําเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันแกะ500ตัวถูกนําเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันครั้งนั้นแหลอุคตะศริระพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม้เราก็ได้สดับมาว่า การก่อไฟการปักหลักบูชายัญย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สามอุกตะสิริระพราหมณ์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเขาพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายัญย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหม์แม้เราก็ได้สะดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายัญย่อมมีผลมากมีอเนสง ม, มากพราหม์กราบทูลว่าท่านพระโคดมข้อความทั้งหมดของท่านพระโคดมและของข้าพเจ้าย่อมสมกันเมื่ออุกตะสิริระพราหม์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอาณน์เดืกล่าวกับอุคตะสิริระพราหม์ดังนี้ว่าพราหม์ ท่านไม่ควรถามพระตถาคตอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพระเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายัญย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากแต่ควรถามพระตถาคตอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าประสงค์จะก่อไฟประสงค์จะปักหลักบูชายัญขอพระผู้มีพระภาค โปรดตักเตือนโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้าถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดลำดับนั้นอุคตาสิริรพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะก่อไฟประสงค์จะปักหลักบูชายันขอท่านพระโคดมโปรดตักเตือนโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้า ถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกลื้อกูลเพื่อสุกแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมเมือ้อศัตรสามชนิดที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นผลศัตรูสามชนิดอะไรบ้างคือหนึ่งศัตราทางกายสอง สัสตราทางวาจา 3. สามสตราทางใจบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมคิดอย่างนี้ว่าต้องฆ่าโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าลูกโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าลูกโคตัวเมียเท่านี้ตัว py, เพื่อประโยชน์แ ก, ก่การบูชายันต้องฆ่าแพะเท่านี้ตัว เพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าแกะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเขาคิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำสิ่งที่มิใช่บุญคิดว่าจะทำกุศลแต่กลับทำอกุศลคิดว่าจะสแสวงหาทางสุกติแต่กลับสแสวงหาทางทุกติพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายัน ย่อมเมื่อศาสตราทางใจชนิดที่หนึ่งนี้ที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นผลบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าต้องฆ่าโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์การบูชายันต้องฆ่าลูกโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัน ต้องฆ่าลูกโคตัวเมียเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าแพะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าแกะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเขาคิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญคิดว่าจะทำกุศลแต่กลับทำอกุศลคิดว่าจะสแสวงหาทางสุขติแต่กลับสแสวงหาทางทุกติพราหมณ์ บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมเมื่อสัตว์ตราทางวาจาชนิดที่สองนี้ที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นผลบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันตนเองลงมือฆ่าโคผู้ก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันตนเองลงมือฆ่าลูกโคผู้ก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญ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 พรหมบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญก่อนที่จะบูชายัญย่อมเงื้อศสตรูทางกายชนิดที่สามนี้ที่เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นผลพราหม์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญก่อนที่จะบูชายัญย่อมเงื้อศัตรูสามชนิดนี้แลที่เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกเป็นผลพราหม์ อคิไฟสามประการนี้เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสบอคิสมประการอะไรบ้างคือ 1. ราคาคิไฟคือราคะ 2. โทสักคิไฟคือโทสะ 3. โมหคิไฟคือโมหะเพราะเหตุไรราคาคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสภเพราะบุคคลผู้มีราคะ ถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกฉะนั้นราคะคิดนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะเหตุไรโทสะคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสเพ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 อคิสามประการนี้แหลเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพพราหม์อคิสามประการนี้เป็นสิ่งที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบอคิสามประการอะไรบ้างคือ 1. อาหุเน ย, ยคีสคขหะปตะคิ 3. ทักคเน ย, ยคิอหุเน ย, ยคิเป็นอย่างไร คือบุตรในโลกนี้มีมานดาหรือบิดานี้เรียกว่าอาหุในยคิข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุตรเกิดจากมานดาบิดานี้ฉะนั้นอาหุในยคินี้จึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบข้าปตักคิเป็นอย่างไร คือข้าพเดีในโลกนี้มีบุตรพันยาทาตคนใช้หรือกรรมกรนี้เรียกว่าข้าพตักขิฉะนั้นข้าตักขินี้จึงเป็นผู้ที่ควรจั ก, กระเคารพนับถือบูชาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบทักขิเนยยักขิเป็นอย่างไรคือสมณะพราหมณ์ผู้เว้นข่าจากความมัวเมาและประมาทตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรจั ฝึกตนได้เป็นหนึ่งทำตนให้สงบได้เป็นหนึ่งทำตนให้ดับเย็นได้เป็นหนึ่งนี้เรียกว่าทักขิเนยักขิฉะนั้นทักขิเนยักขินี้จึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบพรามอคิสามประการ น, นี้แหละเป็นสิ่งที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ ส่วนกักทักขินี้ต้องจุดตามการอันโควรต้องคอยดูตามการอันโควรต้องคอยดับตามการอันโควรต้องคอยเก็บตามการอันโควรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุคตาสริระพรามเรียกลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิคงท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึง ขอแท่นพระโคดมโปรทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าพระองค์จะปล่อยโคผู่ห้าร้อยตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยลูกโคผู่ห้าร้อยตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยลูกโคตัวเมียห้าร้อยตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยแพห้าร้อยตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยแกะห้าร้อยตัวให้ชีวิตพวกมัน พวกมันจะกินหญ้าสดดื่มน้ำเย็นและรับลมเย็นทุติยอาคิสูที่สจบ 5. ปรถมมสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสัญญาเจตประการนี้ที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาเจตประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากําหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. อมรณสัญญากําหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา สาอาหาเรปฏิคูลสัญญากำหนดหมายความปฏิคูลในอาหาร 4. สัพพโลกเย อ, อนะพิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อานิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อานิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร7 ทุกเอนาตตาสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกภิกษุทั้งหลายสัญญาเจบประการ น, นิแลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระธมะสัญญาสู่ที่ห้าจบ ติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัญญาเจตประการนี้ที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอเนสงมากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดสัญญาเจตประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภาสัญญา 2. มรณะสัญญา 3. อาหารเรปติกูลสัญญา สสัพโโลเกอนนาิรตสัญญา 5. อนิจจสัญญา 6. อนิเจทุกขสัญญา 7. ทุกเข อ, อนนตาสัญญาภิกษุทั้งหลายสัญญาเจตประการ น, นี้แหลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากยังลงสู่อมาตะมีอมาตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้ว่า อาสุภสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอาสุภาสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรม อุเบกขาหรือความเป็นปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่คลี่ออกฉันใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรมชั้นนั้นเหมือนกันแลอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่รวยมากจิตก็ยังไหลไปตามการร่วมเมถุนธรรมความเป็นของไม่ปฏติกลก็ยังตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอสุภสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาพระกำลังคือภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้น จึงเป็นผู้รู้ชัดในอสุภสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอสุภสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เรา ภาวนาภะละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอสุภสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอสุภสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่ามรณสัญญาที่ภิกษุเจริญทาให้มากแล้ว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 จิตก็ยังไหลไปตามความติดใจในชีวิตความเป็นของแม่ปฏิควลก็ยังตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่ามรณะสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแกเราภาวนาภละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในมรณะสัญญานั้น แต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตอุเบขาหรือความเป็นของปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่ามรณะสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแกเราภาวนาภละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้น จึงเป็นผู้รู้ชัดในมรณะสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่ามรณะสัญญาที่ภิกสุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนั้นแล ว, ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาที่ภิกสุเจริญทาให้มากแล้วย่อมมีผลมาก ม, มีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะ มีอมะตะเป็นที่สุดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอาหารเรปฏิคูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับตันหาในรถอุเบกคาหรือความเป็นของปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับ มุนกลับไม่คลี่ออกชั้นใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอาหารเรปฏิคูแลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับตันหาในรถชั้นนั้นเหมือนกัน แ, แลอุเบขาหรือความเป็นของปฏิคูย่อมตั้งอยู่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอาหารเรปฏิคูแลสัญญาอยู่โดยมากจิตก็ยังไหลไปตามตันหาในรถ ความเป็นของไม่ปฏิคูลก็ยังตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อ น, นี้ว่าอาหารเรปฏิคูลสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาภละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอาหารเรปฏิคูลสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอาหารเรปฏิคูลสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหดกลับงอกลับละถึงตัณหาในรถอุเบขาหรือความเป็นของปฏิคูย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอาหารเรปฏิคูลสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เราภาวนาพระของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอาหารเรปฏิคูลสัญญานั้น เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาหาเรปติคูลสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยัางลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าสัพโลเกอนะพิรตสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอั น, นัปิราตาสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความวิจิตของโลกอุเบคาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับ ไม่คลี่ออกฉันใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอนนาพิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความวิจิตของโลกชั้นนั้นเหมือนกันแลอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกลย่อมตั้งอยู่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอนนิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตก็ยังไหลไปตามความวิจิตของโลก ความเป็นของไม่ปฏิกูนก็ยังตั้งอยู่ภิกษุเพึ่งทราบข้อนี้ว่าสัพพโลเกอนนาิรตสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาพระของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในสัพพโลเก อ, อันนาิรตสัญญานั้น แต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกออนาพิรตสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความวิจิตของโลกอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าสัพพโลเกออนาพิรตสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เรา ภาวนาพระของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในสัพพโลเกอนนพิรตะสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าสัพพโลเกอนนพิระตะสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่า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 อุเบคาหรือความเป็นของปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่คลี่ออกชันใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับลาบสักระและชื่อเสียงชั้นนั้นเหมือนกันแลอุเบขาหรือความเป็นของปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตก็ยังไหลไปตามลาบสักระและชื่อเสียงความเป็นของไม่เป็นควรก็ยังตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอนิจจสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาภะละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้น จึงเป็นผู้รู้ชัดในอนิจจสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับลาบสักระและชื่อเสียงบุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอนิจจสัญญาเราจเจริญดีแล้วคุณวิเศทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เรา ภาวนาพระของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอนิจจสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญทาให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนั้นแลว่าอนิจเจทุกขสัญญาที่ภิกษุเจริญทาให้มากแล้ว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 และในการไม่พิจารณาปรากฏว่าเป็นภัยอันร้ายแรงเหมือนเปจคา่าผู้เนื้อดาบขึ้นถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกสัญญาอยู่โดยมากสัญญาในความเฉ่ยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรและในการไม่พิจารณาไม่ปรากฏว่าเป็นภัยอันร้ายแรงเหมือนเปจคา่าผู้เนื้อดาบขึ้น ภิกษุเพึงทราบข้อนี้ว่าอนิจเจทุกขสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาภละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอนิจเจทุกขสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมากสัญญาในความเฉยชาในความเกียรคราน ในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรและในการไม่พิจารณาปรากฏว่าเป็นภัยอันร้ายแรงเหมือนเพชฌฆาตผู้เหงื้อดาบขึ้นภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอ น, นิจเจทุกขสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เราภาวนาพระของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้น จึงเป็นผู้รู้ชัดในอนิจเจทุกขสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอนิจเจทุกขสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าทุกเคอนัตสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากม อ, าก อ, ากอากย่างลงสูอ่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยทุกเขรอนัตสัญญาอยู่โดยมากมีใจปราศจากอาหางการมามังการและมานะในร่างกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงก้าวล่วงมานะสงบแล้วหลุดพ้นดีแล้ว ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยทุกเขอณะตสัญญาอยู่โดยมากมีใจไม่ปราศจากอาหางการมังมการและมานะในร่างกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงไม่ก้าวล่วงมานะไม่สงบไม่หลุดพ้นแล้วภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าทุกเขอณะตสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เรา ภาวนาพละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในทุกเขอนันตสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยทุกเขอนันตสัญญาอยู่โดยมากมีใจปราศจากอาหางการมามังการและมานะในร่างกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงก้าวล่วงมานะสงบแล้วหลุดพ้นดีแล้วภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่า ทุกเคอันตสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแกเราภาวนาภะละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในทุกเคอันตสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าทุกเคอันตสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด ภิกษุทั้งหลายสัญญาเจตประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำไม่มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดทุติยสัญญาสูตรที่หกจบ เมทุนนสูตรว่าด้วยเมถุนสังโยคครั้งนั้นแหลชานุสโสนิพราหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมยังปฏิญญาว่าตนเป็นโภมจารีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหม์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงผู้ใดผู้หนึ่งว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์บุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงเรานั้นแลเพราะเราประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์พราหม์ทูลถามว่าท่านพระโคโดม อะไรเล่าชื่อว่าเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยแห่งพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคตระตอบว่าหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจรรีอย่างถูกต้องไม่ประพฤติกิจสองต่อสองกับมาตุคามแต่ยังยินดีการลูบไล้การขัดถูการให้อาบน้ำและการนวดฟันของมาตุคามเขาชอบใจติดใจ และถึงความปลื้มใจกับการทำเช่นนั้นแม้นี้ก็ชื่อว่าเป็นความขาดความทะลุความด่างและความพร้อยแห่งพรหมจรรย์พราหม์ผู้นี้เราเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ําครวญทุก ความทุกข์กายโทมนัตความทุกข์ใจและอุปายาตความขับแค้นใจเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์สสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้องไม่ประพฤติิดสองต่อสองกับมาตุคามทั้งไม่ยินดีกา ร, รลูบไล้การขัดถูการให้อาบน้ำและการนวดฟันของมาตุคามแต่ยังสัพยก เล่นหัวหัวเราะร่ากับมาตุคามละถึงสมสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งไม่สัพยโยกเล่นหัวหัวเราะร่ากับมาตุคามแต่ยังเพ่งจ้องตามาตุคามละถึงสี่สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ทั้งไม่เพ่งจ้องตามาตุคามแต่ยังฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะผู้พูด ผู้ขับร้องหรือผู้ร้องไห้อยู่นอกฝาหรือนอกกำแพง 5. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ทั้งไม่ฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะผู้พูดผู้ขับร้องหรือผู้ร้องไห้อยู่นอกฝาหรือนอกกำแพงแต่ยังคอยนึกถึงการที่เคยหัวเราะพูดจาเล่นหัวกับมาตุคาม 6. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ทั้งไม่คอยนึกถึงการที่เคยหัวเราะ พูดจาเล่นหัวกับมาตุคามแต่ยังดูฆ้าบดีหรือบุกฆ่าบดีผู้เอิบอิ่มพร่งพร้อมด้วยกามคุณห้าบมเรอตนอยู่ 7. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ทั้งไม่ดูฆ่าบดีหรือบุกฆ่าบดีผู้เอิบอิ่มพร่งพร้อมด้วยกามคุณห้าบมเรอตนอยู่แต่ยังประเพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพบาจาหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรย์ น, นี้ เราจะเป็นเทพหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งเขาชอบใจติดใจและถึงความปลื้มใจกับการทำเช่นนั้นแม้นี้ก็ชื่อว่าเป็นความขาดความทะลุความด่างและความพร้อยแห่งพรหมจรรย์พรามผู้นี้เราเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่หลุดพ้นจากชาติชราโมระโสกปริเทว ะ, ะทุก โทมนั์และอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์พรามตราบใดเรายังเห็นเมถุนสังโยคเจ็ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเราไม่เห็นเมถุนสังโยคเจประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่า วิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ย่อมไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสนิพรามเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสาระนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเมธุนสูที่เจ็ดจบ